วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่เจ็ดกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันหยุดชดเชยพวกท่านทั้งหลายจึงมีเวลาว่างไม่ต้องไปทำงานทำการกันเลยมาเลยได้มาวัดกัน มาวัดเพื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่ทําให้พวกเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรก็คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองว่าเป็นผู้ที่รู้ความจริง ที่พวกเราไม่รู้กันพวกเรา อ, อันนี้เปรียบเหมือนกับคนตาบอดส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปรียบเหมือนคนตาดีเราเปรียบเทียบดูอยากจะรู้ความแตกต่างระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดก็ลองหลับตาดูในตอนนี้ถ้าท่านหลับตาท่านก็จะไม่เห็นอะไร ไม่เห็นว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีคนมากน้อยเพียงไรมีต้นไม้เล็กใหญ่อยู่ที่บริเวณไหนบ้างแต่พอท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่คนตาบอดไม่สามารถมองเห็นได้สิ่งที่พระพุทธเจ้า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำเอามาสั่งสอนพวกเรานี้เป็นสิ่งที่พวกเรายัางมองไม่เห็นกันเพราะพวกเรานี้ยังปิดตาที่จะมองให้เห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้แต่ต่อไปถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อ แล้วเราปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุทรงรู้ทรงเห็นกันแต่ในเบื้องต้นคือตอนนี้เรายังมองไม่เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรา พวกเราก็เลยต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเหล่านี้เป็นความจริงร้อยเอร์ซสวากขาโตภะกวตาธรร ม, มเป็นความจริงร้อยเอร์แล้วก็เป็นอากาลิโก เป็นความจริงที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไปตับกับการกับเวลาความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วก็ยังเป็นความจริงอยู่ในวันนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารุกเอามาสอนนี้คืออะไรก็คือกฎแห่งกรรมนี่เองพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารุกนี้ สอนเนื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อทำดีได้ความสุขได้ไปสวรรค์ทำเชื่อได้ความทุกข์ได้ไปอบายได้ไปนรกนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระอริยสงฆ์สาวกทุกๆพระองค์เพราะท่านเหล่านี้เห็นผู้ที่จะไปรับผล ของกรรมพวกเราตอนนี้ยังไม่เห็นผู้ที่จะไปรับผลของกรรมและไม่เห็นผู้ที่เป็นผู้กระทํากรรมผู้ที่กระทํากรรมและผู้ที่รับผลของกรรมคืออะไรก็คือจิตใจของพวกเรานี่เองที่แตกที่ต่างจากร่างกายของพวกเรา จิตใจของพวกเรากับร่างกายของพวกเรานี้เป็นคนละคนกันเป็นคนสองคนที่มามาเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันเวลาที่ร่างกายของเราตายไปจิตใจที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจิตใจกับร่างกายนี้เป็นเหมือนสามีภรรยาที่มาอยู่ร่วมกันเพื่อมาสร้างครอบครัวมาสร้างลูกสร้างหลานกันสร้างครอบครัวกันต้องมีสามีมีภรรยามาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันฉันใดใจิตใจของพวกเราก็มาร่วมทำกิจกรรมกับร่างกาย เพราะจิตใจของพวกเรานี้ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับจิตใจจิตใจจะมีความสุขถ้าได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่างๆเพราะจิตใจมีความอยากมีความชอบที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนั้นการที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพะได้ จิตใจต้องมีตาหูจมูกร่้นกายซึ่งจิตใจไม่มีเองในตัวของตนเองมีก็เป็นรูปก็เป็นตาทิพหูทิพที่ไม่สามารถที่จะมาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสหยาบได้ต้องอาศัยร่างกายร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์ในราชานี่ยเขามี ของดีที่จิตใจต้องมาพึ่งพาอาศัยร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายนั่นเองที่จะสามารถสัมผัสกับรูปเสียงกดลิ่นรสผดพทพะได้แล้วเวลาที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกดลดิ่นรสผดทพะที่ถูกใจใจก็เกิดความสุขขึ้นมา แล้วก็จะเกิดความยุดติดกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะที่ถูกใจแล้วก็พยายามที่จะรักษารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะที่ถูกใจนี้ให้อยู่ไปเรื่อยๆอยู่กับตนไปเรื่อยๆถ้าจากไปก็จะพยายามหามาใหม่อยู่เรื่อยๆหน้าการที่จะต้องหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนี้เอง ที่เป็นที่มาของกรรมคือการกระทาของใจใการที่จะหารูปเสียงกลิ่นลดผพทธะของใจนี้ก็หาได้สามทางด้วยกันห า, หาโดยวิธีไม่ทำบาปและหาโดยวิธีทำบาปสองทางไม่ใช่สามทางเช่นเราต้องการรูปเสียงกลิ่นลด ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไปดูของฟรีก็ได้ <Yeah. S 1> เดินไปต่างที่ต่างๆ <Yeah. S 1> เราก็จะเห็นรูปเสียงกลิ่นลด <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราอยากจะดูของที่ไม่ฟรีเราก็ต้องมีเงินทองเ <Yeah. S 1> พอของไม่ฟรีนี้เขาจะต้องเรียกเก็บค่าผ่านประตู <Yeah. S 1> เช่นอยากจะไปดูภาพยนตร์ในโรง <Yeah. S 1> ก็ต้องมีเงิน <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่มีเงิน yeah. แต่เรายังอยากดูภาพยนตร์อยู่เราก็า จ, จะต้องไปรับขโมยเงินก็จะเกิดการก็ทำบาปขึ้นมาหรือถ้าเราเป็นคนรู้ว่าทำบาปไม่ดีไม่ควรก็ทำบาปเราก็อดใจรอไว้ก่อนไปทำงานหาเงินหาทองมาก่อนแล้วพอเราได้เงินมา เราค่อยมาซื้อตั๋วไปดูภา พ, พยนตร์ที่เราอยากจะดู <Yeah. S 1> แล้วถ้าเกิดเรามีเงินมากกว่า <Yeah. S 1> เงินที่เราจะต้องซื้อตัว๋ว <Yeah. S 1> มีเงินซื้อตั๋วได้หลายใบย <Yeah. S 1> เราก็อาจจะชวนเพื่อน <Yeah. S 1> ที่เขาอยากจะดูแต่เขาไม่มีสตังค์ที่จะซื้อตั๋วดู <Yeah. S 1> ซื้อตั๋วให้เขาดูด้วย yeah. อันนี้เราก็จะได้ทำบุญกันทำความดีกันอันนี้คือที่มาของการกระทำบุญ <c oughs> การกระทำบาปของพวกเราและผู้กระทำนี้ไม่ใช่ร่างกายขอให้เข้าใจร่างกายเป็นเพียงเครื่องประกอบไม่ได้เป็นตัวที่กระทำตัวกระทำนี้ต้องเป็นตัวที่คิดที่สั่ง ตัวคิดตัวสั่งนี้คือใจส่วนการกระทาทางกายทางวาจานี้เป็นเครื่องมือของใจอีกทีหนึง่งแล้วผลจึงไม่เกิดกับร่างกายหรือวาจาผลนี้จะเกิดที่ใจเป็นหลักเวลาใจทําบาปผลก็คือความทุกข์ความไม่สบายใจ ก็จะเกิดขึ้นที่ใจ <Yeah. S 1> เวลาทำบุญ <Yeah. S 1> พาเพื่อนฝูงไปเลี้ยงไปพาไปกินข้าวพาไปดูภาพยนตร <Yeah. S 1> ์เห็นเขามีความสุขใจก็มีความสุขจากการกระทำบุญของเราทำความดี yeah. น, นี่คือกรรมที่พวกเราทำกันอยู่นี่เราจะทำกรรมอยู่สามทางด้วยกัน ทำบุญทำความดีทำบาปทำชั่วแล้วก็ทำแบบไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปการกระทำที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนี้คืออะไรก็คือเวลาที่เราทำอะไรเกี่ยวกับตัวเราเองทำให้กับตัวเราเองนี้ไม่เป็นโทษกับใครแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์กับใครเราจึงเรียกว่าไม่เป็นบุญหรือไม่เป็นบาป เป็นการกระทกากลางๆที่ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเวลาเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนี่ก็คือการกระทาเหมือนกันแต่เป็นการกระทาให้กับร่างกายของเราไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเราต้องชาระดูแลร่างกายของเรา เราก็เลยต้องมีการอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารออกกําลังกายพักผ่อนหลับนอน <Yeah. S 1> กรรมเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นกรรมที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาป <Yeah. S 1> ไม่มีผลต่อจิตใจทางบวกหรือทางลบ <Yeah. S 1> ไม่ได้ทําให้จิตใจมีความสุขหรือไม่มีไม่ได้ทําให้จิตใจมีความทุกข์ นี่คือกรรมที่พวกเราที่มาเกิดกันในโลกนี้คือการกระทำเนี่ยจะทำสามแบบนี้ส่วนใหญ่เราก็จะทําแบบกลางๆเพราะส่วนใหญ่เราจะต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายของเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็เลี้ยงดูร่างกายเราก่อนนะตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็หาอะไรรับประทานนี่ย อาน้ำแต่งตัวไปทำงานเพื่อหาเงินหาทองอันนี้ก็เป็นการกระทำที่กลางๆทำให้กับตัวเราไม่ได้ทำให้กับคนอื่นไม่ได้ทำให้คนอื่นเสียหาย ห, ายหรือเดือดร้อนกรรแบบนี้ไม่มีผลต่อจิตใจของเราทั้งทางบวกและทางลบไม่ได้กําไรและไม่ได้ขาดทุน แต่เราก็บางครั้งก็ไปทำกรรมอย่างอื่นอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังบางทีเราอยากได้อะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแต่ความอยากของเรานี้มันมีมากและพอเราเห็นมีช่องทางที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทาที่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถ้าเรารู้ว่าเราสามารถทำโดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นได้เราก็อาจจะไปทำมันเช่นไปช่อโกงไปหลอกลวงไปลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการประพฤติผิดประเวณีอันนี้ถือว่าเป็นการกระทาที่จะทำให้เกิด ความเสียหายต่อผู้ทำความทุกข์ให้แก่ผู้เราเรารู้ว่าเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีให้กับผู้และรู้ว่าจะต้องมีโทษตามมาใจของเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันทีผลของการกระทำบาปนี้มันเกิดขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องมีตํารวจไม่ต้องมีใครมาจับเราไปติดคุกติดตาราง ใจเราร้อนขึ้นมาแล้วใจของเราวิตกกังวลขึ้นมาแล้วอันนี้ลองสังเกต ด, ดูเวลาที่ทำบาป ก, กับเวลาไม่ทำบาปความรู้สึกจะต่างกันเวลาเราหาอะไรมาได้โดยที่เราไม่ต้องทำบาปนี้เราจะรู้สึกสบายใจแต่เวลาที่เราหาอะไรมาโดยวิธีไม่ชอบด้วยการโกหกก็ดีด้วยการหลอกลวงก็ดีด้วยการช่อโกง ก, ก็ดี ทำแล้วใจของเราจะรู้สึกไม่สบายนี่แหละคือผู้กระทาบุญหรือกระทาบาปผู้กระทากรรมคือใจที่เรามองไม่เห็นกันเรามไม่สามารถมองเห็นใจไนดะ้เพราะใจไม่ใช่เป็นปรูปธรรมเหมือนร่างกายร่างกายนี้เราเรียกว่ารูปธปรรมรูปธปรรมก็คือสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาของร่างกาย เราเรียกว่ารูปธปรรมแต่เสียงสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเรียกว่านามธรรมเสียงนี้เรายังสัมผัสได้ผ่านทางหูกินเราสัมผัสได้ทางจมูกถึงแม้ว่าตาจะมองไม่เห็นก็ตามแต่เรายังมี อ, อายาตนะที่สามารถที่จะสัมผัสรับรูบ้ รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะได้นั้นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนี้เราถือว่าเป็นรูปประธรรมสามารถสัมผัสรับรู้ได้ผ่านทางร่างกายแต่ใจนี้เราไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้ผ่านทางร่างกายเราต้องสัมผัสรับรู้ผ่านทางใจโดยตรงซึ่งใจของเราก็รับรู้อยู่ในขณะนี้ เรามีใจกำลังรับรู้กับความคิดต่างๆของใจเองเพียงแต่ว่าใจไม่สามารถมองเห็นตัวของใจเองได้ถ้าใจไม่รู้จักวิธีเปิดตาของใจขึ้นมาอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้พวกเราต่างจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสาวุปก็คือ การเปิดตาในที่จะทำให้มองเห็นใจผู้กระทำกรรมนี่เองและเห็นผลที่จะเกิดขึ้นกับใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะตอนที่มีร่างกายอยู่ตอนที่เราสัมผัสกับความรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดจากการกระทำบาป หรือสัมผัสกับความสบายใจที่เกิดจากการทำบุญเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนหนังตัวอย่างเท่านั้นเองหรือในขณะที่เรานอ น, อนหลับเวลาที่เราน อ, นอนหลับนี่ก็เป็นเวลาที่เราจะได้สัมผัสกับผลของบุญของบาปที่เราทำไว้ในรูปแบบของความฝันพวกเราคงไม่ปฏิเสธกันว่า เรามีความฝันกันเวลาเรานอนหลับบางครั้งเราก็ฝันดีบางครั้งเราก็ฝันไม่ดีฝันร้ายเนี่ย <Yeah. S 1> yeah, ฝันดีหรือฝันร้ายนี่ท่านก็บอกว่าเกิดจากบุญหรือบาปที่เราทำไว้นี่เองเวลาเราฝันดีก็เกิดจากบุญที่เราทำไว้เพราะเวลาเราทำบุญนี้เราจะมักจะทำแต่สิ่งที่ดี เสิ่งที่ดีนี่ก็จะถูกบันทึกไว้ในใจของเราใจของเรานี่เป็นเหมือนเครื่องอัดเสียงอัดภาพนอัดทั้งเสียงทั้งภาพทั้งเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีที่เราไปทําในแต่ละวั น, นทั้งทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยจนห้ามหลับเนี่ยการกระทําต่างๆของเราเนี่ยถูกถูกใจนี้บันทึกไว้ตลอดเวลา โดยที่พวกเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าเรากำลังมีผู้ที่คอยมีกล้องติดตามดูการกระทาของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกล้องนี้เราเรียกว่ากรรมเนี่ยกล้องเจ้ากรรมในเวนเนี่ยผู้ที่มาคอยให้ผลดีผลร้ายกับใจของเราเนี่ยเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เราทํากันอยู่ในแต่ละวัน แล้วตอนที่เรานอนหลับนี้ <Yeah. S 1> เหตุการณ์ที่เราทำในแต่ละวันนี้บางครั้งก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นความฝัน yeah. Yeah. บางทีเราก็ฝันดี yeah. Yeah. บางทีเราก็ฝันรา yeah. Yeah. Yeah. ้ายท่านบอกว่าฝันดีก็เกิดจากบุญความดีที่เราทำฝันร้ายก็เกิดจากการกระทำที่ไม่ดีของเรา อันนี้ก็เป็นเหมือนหนังตัวอย่างเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดเพียงระยะสั้นๆช่วงขณะที่เรานอนหลับไม่กี่ชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงช่วงนั้นเราอาจจะมีความฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างอันนี้ยังเป็นเหมือนหนังตัวอย่างอยู่แต่ช่วงที่เราไม่มีร่างกายช่วงที่ร่างกายตายไปเนี่ยเราจะหลับยาวเลย ไม่ใช่หลับแค่เจ็ดแปดชั่วโมงอาจจะหลับเป็นปีกว่าจะได้มาตื่นกว่าจะได้มาได้ร่างกายอันใหม่ครั้งหนึ่งช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่บุญและบาปก็จะเป็นตัวแสดงผลให้กับจิตใจของเราเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับมันจะเป็นภาพที่ดีเป็นเรื่องราวที่ดีปรากฏในใจของเรา ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราทำไว้มันจะเหมือนกับต่อสู้กันแข่งกันระหว่างบุญกับบาปฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะมีสิทธิ์แสดงผลก่อนฝ่ายไหนมีกำลังน้อยกว่าฝ่ายนั้นก็ยังไม่สามารถแสดงผลได้สมมุติว่าตอนที่เราตายนี่ บุญและบาปที่เราได้ทำกันไว้ในขณะที่เราตื่นเนี่ยมันจะมาะแก่งแย่งใจของเราแก่งแย่งโอกาสที่จะมาแสดงผลของบุญและของบาปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะแสดงผลก่อนถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะแสดงผลก่อนการแสดงของของบุญก็จะเป็น ความฝันที่ดีๆที่มีแต่ความสุขความสบายใจมีความเหมือนกับการที่เราได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆน <Okay. S 1> สวรรค์ น, นี้ก็เป็นเหมือนที่เราไปท่องเที่ยวกันนั่นเอง <Okay. S 1> มีแต่เรื่องดีๆอาหารดีอากาศดีที่อยู่อาศัยดีที่เที่ยวที่ชมที่สวยงาม <Okay. S 1> เราจึงนิยมไปเที่ยวกัน okay. เวลาไปเที่ยวเราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ดีในขณะที่เราไม่มีร่างกายเราก็ยังมีตาที่ผูทิพอยู่เราก็จะสามารถสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของที่เป็นทิพได้ที่เป็นที่เป็นภาพในฝันนี่เองภาพในฝันนี่คือรูปทิพเสียงทิพตอนที่เรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ตาของร่างกายดู นอนหลับเราปิดตาปิดหูปิดอะไรไปหมดแต่ใจนี่ยังเปิดตาทิพหูทิพเพื่อรับดูเหตุการณ์ต่างๆที่บุญหรือบาปได้สร้างเอาไว้ให้เราดูได้นี่แหละคือสภาพของจิตใจของพวกเราหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจะต้องอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับ แล้วก็จะฝันฝันดีหรือฝันร้ายก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่ทำไว้ว่าอันไหนมีกำลังมากกว่ากันฝันร้ายก็จะฝันแต่เรื่องไม่ดีฝันเรื่องหิวโหยฝันเรื่องหวาดกลัวหวาดเสียวต่างๆฝันเรื่องการล้างแค้นกันฆ่าฟันกันอันนี้เหมือนกับดูภาพยนตร์ ภาพยนตร์นี้ก็มีหลายแบบใช่ไหมภาพยนตร์แบบหวานก็มีมีแบบที่ดูแล้วสบายอกสบายใจดูแล้วตลกโปกฮาหัวละหรือ <Yeah. S 1> บางคนชอบภาพยนตร์บู้ก็จะมีแต่การฆ่าฟันกันหรือ <Yeah. S 1> บางคนก็ชอบดูภาพยนตร์ที่มีการผ <Yeah. S 1> จญภัย <Yeah. S 1> ต้องไปเจอกับเหตุการณ์ อดอยาขาดแทนหิวโหยหลงทางในทะเลทรายหรือไปลอยคออยู่ในท้องทะเลบางคนก็ชอบภาพยนตร์ที่มีความหวาดกลัวมีสัตว์ร้ายแปลกๆที่น่าหวาดกลัวหรือมีดวงวิญญาณแปลกๆมีผีชนิดต่างๆนี่แหละคือภาพยนตร์ที่เราจะดูถ้าเราทำบาปเอาไว้ เราจะดูแต่ภาพที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวหรือดูภาพที่มีแต่เรื่องหิวโหวยไปะจญภัยไปผาเนจรไปหลงอยู่ในป่าอยู่ในทะเลทรายไปลอยคอหรือทาไมฉะนั้นก็ไปอยู่ถ้าไปเจอภาพที่มีการต่อสู้กันภาพบูภาพสงครามรมีต้องคอยหลบกระสุนหลบระเบิดกันอยู่เรื่อยๆ อันนี้แหละเป็นเรียกว่าเป็นสภาพต่างๆของจิตใจที่ได้ทำบาปเอาไว้แล้วเวลาตายไปบาปนี้มีกำลังมากกว่าบุญที่ทำไว้บาปก็เลยแสดงผลก่อนแสดงไปจนกว่ากำลังของบาปนี้ลดมาเท่ากับบุญตอนที่บาปกับบุญเท่ากันนี้ตอนนี้จะไม่มีหนังให้ดู้วเพราะว่าบุญก็ไม่มีกำลังมากกว่าบาป บาปก็ไม่มีกำลังมากกับบุญตอนนั้นก็จะไปเกิดกันไปได้ร่างกายอันใหม่ตอนที่พวกเรามาเกิดกันเนี่ยเป็นตอนที่ใจของเรานี้ยังมีบาปมีบุญอยู่ในใจแต่ยังยังไม่หมดแต่มันมีกำลังเท่ากันใจของเราก็เลยเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วแต่พอออกมาจากท้องแม่แล้วทีนี้ เวลาอยากได้อะไรก็เริ่มทำบาปก่อนนะตอนเป็นเด็กไม่รู้ผิดถูกดีชั่วอยากได้อะไรเห็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นของใครเป็นเจ้าของก็ความับมาเลยอันนี้ก็เริ่มทำบาปโดยที่ไม่รู้สึกตัวโดยอานาจของความอยากแล้วบาปก็จะเริ่มเปิดบัญชีรับรายายายการของเราในแต่ละครั้งไป จนกว่าเราจะโตขึ้นมาแล้วเราเริ่มมีความสามารถที่จะทําบุญได้เราก็จะเริ่มทําบุญกันเราก็จะเปิดบัญชีบุญขึ้นมาอีกล้วก็จะไปบวกบวกกับบัญชีเก่าของเรายอดเก่าของเราบุญเก่าของเราแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นไปบาปเก่าของเราแล้วก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็ ทำบุญทำบาปสลับกันไปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้ไปจนถึงตอนที่เราตายกันแล้วตอนนั้นบุญกับบาปมันก็จะมาคิดบัญชีกันอี่แล้วเราก็จะไปอยู่ในโลกของความฝันอีกเดี๋ยวมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่พี่จะมาบอกพวกเราว่า พวกเรานี่ควรจะหยุดกระทาบาปกันเพราะการทําบาปแล้วมันจะทำให้ใจของเราจะต้องไปเจอกับภาพที่ไม่ไม่ดีต่างๆภาพที่มีแต่ความทุกข์ให้ทําบุญกันดีกว่าทําบุญแล้วใจของเราจะเย็นใจจะสบายเวลานอนหลับก็จะฝันดีเวลาตายก็จะไปสวรรค์นอกจากสอนให้ ละบาปแล้วให้ทาบุญแล้วยังสอนให้พวกเราหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดการที่จะกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยเพราะว่าเหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดกันมามีร่างกายกันก็คือความอยากของใจเรานี่เองอยากสามประการอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสอย่างที่ได้พูดไว้ <Evet. S 1> พวกเราทุกคนมาเกิดนี้เพราะเราอยากได้อยากเห็นรูปอยาก ได้ยินเสียงกันอยากริ้มลบดมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆเราจึงต้องมีร่างกายเนี่ยเหตุที่พาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดราฉานก็คือเรายังมีความอยากเรียกว่ากามาตัาหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอยู่ความอยากเสพรูปเสียงกยลิ่นรสก็กามาตัาหาพอพอมาเป็นมนุษย์ก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยาก อยากเด่นอยากดังเขาเรียกว่าภาวะตันหะแล้วก็วิภาวะทันหาก็คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายแข็งแรงหรืออยากไม่ยากจนอยากไม่ให้คนนั้นเขาด่าเราอยากไม่ให้คนนั้นเขาเกลียดเราอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัหะทัหาทั้งสามตัวนี้แหละเป็นเหตุที่พาให้เราต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อย พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปรับผลบุญผลบาปที่เราทำไว้ก่อนแล้วพอผลบุญผลบาปเท่ากันไม่สามารถที่จะดึงให้เราอยู่ในสวรรค์หรือดึงให้เราอยู่ในอบายไดเราก็มาได้ร่างกายอันใหม่ของมนุษย์แล้วพอเกิดเป็นมนุษย์มาก็เริ่มทำตามความอยากต่อไปทำความอยากด้วยการทำบาปหรือไม่ทำบาป แล้วก็ถ้าได้อะไรมามากเหลือกินเหลือใช้ก็อยากจะแบ่งให้คนนั้นคนนี้ก็ได้ทาบุญไปได้ทำความดีไปก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดทุกครั้งที่มาเกิดก็ดต้องมาเจอความทุกข์ของทางร่างกายเพราะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายต้องคอยเลี้ยงดูอยู่ทุกเวลานาที ต้องหายใจทุกเวลาเลยถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ถ้าขี้เกียจหายใจเมื่อไหร่ก็จบเดี๋ยวพวกเราจึงไม่ไมไไมค่อยขี้เกียจกันนเรื่องหายใจนี่ขยันหายใจกันแล้วนอกจากหายใจขยันหายใจแล้วยังขยันดื่มน้ำอี่ต้องหาน้ามาดื่มอยู่เรื่อยๆสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้คือลมสองน้ำสามดินที่มาในรูปแบบของอาหาร ต้องคอยรับประทานอาหาร <Yeah. S 1> แล้วก็ไฟต้องคอยรักษาร่างกายให้อบอุ่น <Yeah. S 1> ถ้าร่างกายเย็นเดี๋ยวก็ป่วย <Yeah. S 1> เจ็บไข้ได้ป่วย <Yeah. S 1> ถึงกับความตายได้ <Yeah. S 1> ชีวิตของเราจึงต้องคอยมาแบกภาระของร่างกายตั้งแต่เกิด <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> การเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็ถือว่าเป็นความทุกแบบเพียง <Yeah. S 1> แต่ว่าเรา ได้ประโยชน์เราก็เลยไม่ไปถือวว่ามันเป็นความทุกข์แต่เราต้องทุกข์เราต้องดิ้นรนกันต้องดิ้ น, นรนทำมาหากินแล้วก็กังวลเวลาที่การทำมาหากินของเราสะดุดลงอย่างเช่นตอนนี้รายได้ขาดแคลนกันลดลงกันเพราะมีโรคระบาดกันทําไม่การซื้อการขายลดน้อยลง เคยมีรายได้มากก็ลดน้อยลงหรือบางทีไม่มีเลยก็มีโอกาสรายได้ก็ทุกข์กันเนีย่ยาหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆอันนี้การเกิดท่านถึงบอกว่าเป็นทุกข์เนยทุกข์เพราะว่าจะต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายนอกจากนั้นแล้วร่างกายมันเองเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนมันก็แก่ไปเรื่อยๆ แล้วพอมันแก่มากๆมันก็จะเริ่มทำอะไรไม่ค่อยได้จะไปไหนมาไหนก็ลำบากจะทำอะไรก็ลำบากก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งเพราะทุกข์ไม่สามารถใช้ร่างกายทำในสิ่งที่เราอยากจะทำกันได้แล้วก็ต้องทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวด่วย ออายุมากขึ้นมากขึ้นโลกก็จะมีมากขึ้นตามมาการไปเยี่ยมหมอเยี่ยมโรงพยาบาลก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ถึงวันตายกันตายเราก็ไม่อยากจะตายกันพอคิดถึงความตายท่านั้นยังไม่ทันตายเราก็ทุกข์กันแล้วไม่สบายใจกันแล้วนี่คือความทุกข์ที่เรามาเจอมาพบถ้าเรามาเกิดกัน ไม่ว่าจะเกิดดีหรือเกิดสูงเกิดต่ำนี่เหมือนเกิดรวยเกิดจนนี้เจอเหมือนกันทั้งนั้นเจอความทุกข์แบบเดียวกันทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดผ้ากจากกันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ามาเกิดเท่านั้นเพราะทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้น และการที่จะไม่มาเกิดได้ก็ต้องมาหยุดความอยากนี้เองหยุดความอยากสามประการนี้หยุดเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่ตายนะเชื่อไหมไม่ตายหรอกไม่ได้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ตายแต่มันเป็นเหมือนยาเสพติด เวลาไม่ได้เสพมันจะรู้สึกทรมานใจคนที่ติดยาเสพติดหรือติดบุหรี่หรือติดกาแฟหรือติดสุราเวลาไม่ได้เสพนี่มันจะเหมือนกับจะตายให้ได้รู้สึกทรมานใจไม่สบายใจอึดอัดใจเหมือนขาดลมหายใจเพราะเราไปติดมันเองไม่ใช่อะไรหรอกว่าเราไปอยากกอมันจนติดเป็นนิสัยเลยต้องมีมันเสพอยู่เรื่อย พอตอนที่ไม่มีเสพนี่มันจะทรมานแต่ถ้าเรามีความกล้าหาญมีความอดทนกล้าสู้กับความทรมานใจที่เกิดจากการไม่ได้เสพสิ่งที่เราอยากเสพนี่ถ้าทนได้ไม่กี่วันเน่ยบางคนนี่เขาอยากจะเลิกสุราเขาทำไงวะเขามัดตัวเองไว้บนเตียงเลยมัดมือมัดเท้าไว้แล้วก็ ปล่อยให้มันดินจนกระทั่งมันหมดแรงพอความอยากหมดแรงปั๊บมันก็สงบใจก็สงบแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นมาไม่ต้องอไม่ต้องไปดื่มชวายแล้วเพราะว่าความอยากดื่มชรานี้ถูกกําจัดไปด้วยการฝืนใจเท่า น, นั้นเองนี่พวกนี้เขาโชคร้ายเขาไม่ได้มาศึกษาทางพระพุทธศาสนา เพราะถ้าเข้ามาศึกษาทางพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้ามีเครื่องมือให้เราเลิกความอยากได้ง่ายกว่า <Yeah. S 1> เครื่องมือที่จะช่วยทําให้เราไม่ต้องทรมานใจกับความอยาก <Yeah. S 1> ก็คือสมาธิหรือกับปัญญานี่ yeah. Yeah. อันนี้แหละที่จะทําให้เราเลิกความอยากต่างๆได้อย่างสบายไม่ทุกข์ไม่ยากไม่เดือดร้อน yeah. Yeah. Yeah. เพราะว่าเวลาเราทรมานใจมากเวลาเกิดความอยาก yeah. เราก็ทำใจให้สงบเสียเป็นสมาธิความอยากมันก็จะบรรเทาไปชั่วคราวแต่มันยังไม่หายอย่างถาวรถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรเราต้องใช้ปัญญาอีกตัวหนึ่งปัญญาจะสอนใ ห, ให้เราเห็นว่านี่พิษของความอยากเป็นอย่างเนี้เวลาไปติดอะไรแล้วไปชอบอะไรแล้วเวลาอยากได้แล้วไม่ได้นี่มันจะทำให้ใจเราทรมาน งันครั้งต่อไปเวลาเราเกิดความอยากได้นู่นอยากได้นี่ถ้าเรายังไม่ติดมันเราก็ใช้ปัญญานี้สอนได้เลยว่าอย่าไปติดมันดีกว่าอย่าไปมีมันดีกว่ามีมันแล้วเดี๋ยวเวลาอยากได้แล้วไม่มีมันจะทุกข์มันจะทรมานเนี่ยพวกเราชาวพุทธนี่โชคดีที่ได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รู้วิธีที่จะทำให้เหล่านี้ สู้กับความอยากได้อย่างไม่เดือดร้อนไม่ทรมานนั่นแหละเปนที่มาทําไมพวกเราถึงต้องมาศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมกันทําไมพวกเราต้องทําทานกันทําไมพวกเราต้องรักษาศีลกันทําไมพวกเราต้องมาเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญากันเพราะเราจะได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้มา สู้กับความอยากนั่นเองแล้วก็จะทําให้เราชนะความอยากได้อย่างง่ายดายถ้าเราไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราสู้มันไม่ได้เราเกิดความอยากนี้ทนได้อย่างมากก็ไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปทำตามความอยากแต่ถ้ามีเครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะทําให้เรานี้สู้กับความอยากได้ ตอนในที่สุดความอยากมันก็จะแพ้เรามันก็จะหายไปจากใจของเราพอความอยากที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายนี้มันหายไปจากใจของเราแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดึงใจของเราให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องมาทุกข์อย่างที่เรากําลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้พราเราทุกคนเขาไม่ปฏิเสธว่าเราไม่มีความทุกข์กันเรา ทุกคนยอมรับว่าเรามีความทุกข์กันทั้งนั้นทุกมากทุกน้อยไม่ว่าจะมีฐานะสูงต่ำก็มีความทุกข์เหมือนกันอาจจะทุกข์ต่างในรูปแบบที่ต่างกันคนจนก็ทุกข์อยากจะมีคนรวยก็ทุกข์อยากจะกลัวจะหมดก็ทุกข์กันคนละแบบแต่มันก็เป็นความทุกข์ใจเหมือนกัน อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเร า, าจะได้รับจากพระพุทธศาสนาจากการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <Yeah. S 1> เราจะได้เรียนรู้เรื่องจิตใจของพวกเราที่ตอนนี้เปียบเหมือนเสมือนทาตหรือเปียบเหมือนกับนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตาราง คุกตารางของจิตใจของพวกเรามีกำแพงอยู่สด้านด้วยกันด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้านหนึ่งเรียกว่าแก่ด้านหนึ่งเรียกว่าเจ็บด้านหนึ่งเรียกว่าตายนี่แหละคือคุกตารางของจิตใจของพวกเราทุกคนยังติดคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เพียงแต่ย้ายคุกย้ายจากคุกของมนุษย์ไปเป็นคุกของเดรัจฉาน คุกของเดชาญไปเป็นคุกของเปรตบ้างขอ ง, ของนรกบ้างของสวรรค์บ้างของเทวดาบ้างของพรหมบ้างย้ายคุกไปเรื่อยๆตามบุญตามบาปที่เราทำกันไว้จะหนีไม่พ้นคุกเหล่านี้ไปแล้วจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆเพราะเวลาโทษที่เราทำไว้หรือบุญที่เราทำไว้เราได้ไปใช้หมดแล้ว เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะตัวที่เรายังไม่ได้กำจัดคือความอยากนี้ยังไม่ได้กำจัดมันก็จะดึงให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันเพื่อที่เราจะได้มาเสพลูปเสียงกลื่นลูกกันใหม่เราก็จะเป็นนักโทษอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถึงแม้ว่าจะย้ายคุกบางทีก็ได้ไปอยู่ที่คุ ก, คกที่ดี คุกสมัยนี้ก็มีหลายแบบใช่คุกบางคุกก็แบบถ้าโทษหนักนี้เขาก็ขังเดี่ยวเลยแต่ถ้าโทษเบาเขาก็อาจจะปล่อยให้ไปขังตัวเองที่บ้านก็ได้แล้วก็มีมีเครื่องเครื่องตรวจจับดูว่าอยู่บ้านหรือเปล่ามีคุกหลายแบบด้วยกันแต่ก็ยังเป็นคุกอยู่ยังไม่เป็นอิสระยังไม่สามารถไปทำอะไรตามอิสระภาพได้ ยังต้องติดอยู่กับคุกของการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพวกเรานี่ถือว่าเป็นพวกโชคดีที่ได้เจอคนที่รู้จักวิธีหนีออกจากคุกของการเกิดแก่เจ็บตายคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ท่านไม่ต้องมาติดคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยการทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไป้ดยการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นไปถึงขั้นสูงขั้นต่ำขั้นแรกก็คือทานทานก็มาต่อต้านความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆศีลก็ต่อต้านจิตที่จะไปทำบาปเพื่อที่จะไปทำเอาไปหาความสุขต่างๆด้วยการกระทำบาป สมาธิก็มาหยุดใจที่อยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแบบชั่วคราวแล้วปัญญาก็เป็นผู้ที่จะมาสอนใจให้หยุดความอยากที่จะไปหาความสุขอย่างถาวร น, นี่คือเครื่องมือสี่ชิ้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ในการที่จะทำให้ทำลายความอยาก ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าให้หายหมดไปเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าเบื้องต้นก็ททำทานก่อนเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดตามความอยากของกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาแล้วถ้าต้องการที่จะหยุดความอยากแบบนี้ความหยุดความอยากการหารูปเสียงกลิ่นลดในฐานะของเจ้าชายสิทธัตถะ ก็คือให้ทำทานสละราชสมบัติทานแปลว่าการให้ให้สมบัติของตนแก่ผู้อื่นเลิกใช้สมบัติเลิกใช้เงินทองเป็นเครื่องมือตอบสนองความอยากเพราะการทาตามความอยากนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ความอยากมีอยู่ภายในใจต่อไปเรื่อยๆนั่นเองเห็นต้องเลิกตอบสนองความอยาก คอยหาความสุขแบบเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ต้องสลับไปแล้วก็ไปออกบวชไปอยู่แบบนักบวชอันนี้ก็ขั้นที่หนึ่งก็คือต้องทาทานต้องหยุดใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเพราะเป็นการตอบสนองความอยากทางกามตัญหาหรือใช้เงินทองเพื่อสนองความอยากมีอยากเป็น บางคนอยากเป็นใหญ่เป็นโตวรวยแล้วก็เลยใช้เงินนี้ซื้อเสียงกันลงเลือกตั้งกันแล้วเดี๋ยวพอเลือกตั้งก็ได้คะแนนเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้มีเกียรติขึ้นมาเป็นเศรษฐียังไม่มีใครเคารพนี่แต่พอเป็นรัฐมนตรีนี่ไปไหนมาไหนคนต้องคอยก้มศรีรษะให้ยิ่งเป็นนายกยิ่งไปใหญ่ยิ่งสูงก็ยิ่งเป็นไปใหญ่ ก็บางทีต้องใช้เงินทองใครเล่นการเมืองแล้วบอกไม่ต้องใช้เงินทองนี่เป็นคนโกหกใช่ไหม <c oughs> ใช้ความดีอย่างเดียวไม่พอหรอกความดีเขามองไม่เห็นเขาเห็นเงินทองเวลาเลือกตั้งนี่เขาบอกผมเป็นคนดีเลือกผมนะเขาไม่เาไม่เชื่อหรอกว่าดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าให้เงินสักห้าร้อยพันอย่ง 500, นี้เขาว่าดีนี่ยคนนี้ใจดีนีนะงั้นะนะ ต้อเลือกใช้เงินทองเนี่ยคําว่าทานนี่ก็คือว่าสละเงินทองทรัพสมบัติเจ้าของเงินทองที่เราจะมาตอบสนองความอยากทั้งสามไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาอย่าใช้เงินทองตอบสนองมันปล่อยอยู่แบบไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ตายเราต้องไปอยู่แบบนัก บ, บวชกัน อยู่แบบนักบวชแล้วก็ต้องไปรักษาศีลรักษาศีลเพื่อที่จะหยุดใจของเราไม่ให้ไปทําบาปไปทําในสิ่งที่เราอยากได้ด้วยการกระทําบาปเราก็จะไม่ทำเอาไม่ทํามันก็จะทําให้ใจเรานี้ลดความอยากลงได้ยิ่งถ้าเป็นศีลแปดก็ห้ามไม่ให้เสพลืกเสียงกลิ่นรสต่างๆศีลข้อสามก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับแฟน พอไปเป็นนักบวชแล้วก็เลิกเรื่อง ก, กามทั้งหลายแนละ้วเลิกดูหนังฟังเพลงเลิกหาความสุขจากบันเทิงมอหรสพต่างๆเลิกหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามเลิกหาความสุขจากการหลับนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆนนะเลิกหาความสุขจาก <c oughs> การรับประทานอาหารตามความอยาก อันนี้ก็เป็นการลดความอยากอีกระดับหนึ่งของระดับศีลให้เบาลงเพื่อที่เราจะได้มีกำลังที่จะไปฝึกสมาธิต่อไปไปหยุดความอยากอย่างเต็มที่ถ้ายังมีความอยากดูอยากดูหนังฟังเพลงอยู่นี่แล้วปล่อยให้ไปทํานี้มันก็จะไม่มีกำลังที่จะไปนั่งสมาธิได้ ผู้ที่อยากจะนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้หยุดความอยากทั้งหมดไว้ชั่วคราวก็ต้องอาศัยการรักษาศีลแปดก่อนรักษาศินแปดหรือรักษาศินสิบหรือศินสองรี่สิบแล้วแต่กรณีว่าจะไปอยู่ในสถานะใดถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ถือศินแปดกันเป็นสามเณรก็ถือศินสิบถ้าบวชเป็นพระก็ต้องถือศินี็ ศีลก็มีไว้เพื่อสกัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนั่นเองทําไม่นั่นก็ไม่ได้ทาไม่นี่ก็ไม่ได้อยากทํเนี่ยคนเราอยู่อยู่เฉยๆไม่เป็นอยู่ไม่เป็นสุขต้องหาอะไรทาเพราะอยู่เฉยๆแล้วมันคันต้องหาอะไรมาเกาต้องทําอะไรมันถึงจะหายคันไม่เชื่อลองบังคับตัวเองให่นั่งอยู่บนเก้าอี้สักวันเนี่ยนั่งสักสองสามชั่วโมงสีห้าชั่วโมง ไม่ต้องทำอะไรให้นั่งเฉยๆให้นั่งสบายไม่บังคับไม่ต้องนั่งขัดสมาธิไม่ต้องให้เจ็บนั่งกายไม่ต้องเจ็บแต่ให้นั่งเฉยๆอยู่กับที่ไม่ให้เดินไปไหนมาไหนไม่ให้ไปดูไปฟังอะไรไม่ให้ไปกินไปดื่มอะไรนอกจากน้ำน้ำก็ให้เอามีน้ำป่าวางไว้ข้างๆที่นั่งเพื่อจะได้ไม่ไปนั่นมานี่แล้วถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนก็ได้อนุญาตให้ยืนเปลี่ยนอริยาบทได้เพื่อไม่ให้ทรมานน่างกาย อันนี้ก็เป็นการต่อสู้กับความอยากใจของเราอยู่นั่งอยู่เฉยได้นานไ ม, ไม่ได้หรอกไอ้มคนที่ไปหาหมอนี่เขาต้องหาอะไรล่อใจดึงใจไว้ใช่ไม้มมีหนังสือให้ดูบ้างมีทีวีให้ดูบ้างเพราะถ้าบอกให้นั่งรอหมอเฉยๆนี่เดี๋ยวอึอดอัดขึ้นมานะเดี๋ยวนั่งไม่ได้บางคนก็จะลุกขึ้นไปสูบบุหรี่ลุกไปเดินลุกไปดูนั่นลุกไปความอยากมันดิ้นอยู่ทให้ใจดิ้นอยู่ตลอดเวลา งั่ถ้าเราอยากจะเอาชนะความอยากแบบง่ายๆเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆเรารบัรเทาตัวเองให้นั่งเก้าอี้อย่างนี้กำหนดเวลาไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงถ้ายังภาวนาไม่เป็นก็ไม่เป็นไรสู้กับความอยากแบบแบบสดๆไปเลยแต่ถ้าภาวนาเป็นก็ยิ่งจะสบายถ้ามีเครื่องมือถ้าสวดมนต์ได้ก็นั่งเฉยๆไปอุดอุหงหงิดก็สวดอิติปิโสไปหลายๆจบไป สวดจนกระทั่งหายหมุหยิดแล้วก็หยุดสวดเดี๋ยวมุหยิดใหม่ก็สวดใหม่ก็ได้อันนี้ก็เป็นการต่อสู้กับความอยากขั้นหยาบขั้นง่ายๆก่อนถ้ายัางนั่งสมาธิพุทโธดูลมหายใจไม่ได้ลองมาฝึกนั่งเฉยๆหรือไม่เช่นนั้นก็เดินเฉยๆก็ได้เดินจงกรมไปอยากจะเดินอยากจะเคลื่อนไหวเอาให้เดิน เดินหลายหลายชั่วโมงเลย mm hmm. เดินกลับไปกลับมาอยู่เนี้ยอยู่ในทางจงกรมเนี้ยไม่ต้องไปทําอะไรให้เดินอย่างเดียวถ้าเมื hmm. ่อยก็ยืน mm hmm. ยืนแล้วก็เดินเดินแล้วก็ยืนเนี้ยสลับไป mm hmm. เดินแล้วก็ฝึกพุทธโธพุทธโธไป mm hmm. อันนี้แหละเป็นการต่อสู้ความอยากแบบหยาบหยาบก่อน mm hmm. ถ้าเราสู้กับความอยากแบบหยาบหยาบได้เราก็จะไปสู้กับความอยากที่ละเอียดต่อไปได้ คือไปนั่งสมาธิได้ <Yeah. S 1> ถ้าเรายังไม่มีถ้าเรายังปราบความอยากแบบหยาบหยาไม่ได้คืออยากลุกอยากขยับตัวอยากไปนู่นไปนี่อยู่เนี่ยพอนั่งสมาธินั่งไม่ได้นานละอึดอัดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอยากจะขยับแข้งขยับขาขยับแขนขยับอะไรไปเดี๋ยวคันตรงนั้นคันตรงนี้นะ yeah. Yeah. อันนี้ก็ต้องใช้ถ้าถ้าถ้า ถ้ามีสติก็ใช้สติเช่นการสวดมนต์สวดมนต์ไปให้มันเพลินกับการสวดมนต์แล้วมันก็จะลืมความอยากที่จะขยับแข้งขยับขาขยับแขนขยับมือขยับเท้าขยับตัว <c oughs> แต่ที่เมื่อกี้พูดนั้นคือเป็นการให้ทดลองดูว่ากำลังของเราสู้กับความอยากได้ไหมถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรพิสูจน์ดูแล้วถ้ามัน อรมานเราก็ใช้ธรรมะที่เรามีอยู่มีสติเท่าไหร่ก็ขนออกมาสู้กับมันมีพุโทโธก็สนออกมาสู้กับมันมีการสวดมนต์ก็ขนออกมาสวดมีการท่องอาการสามสิบสองได้ก็ท่องอาการสามสิบสองไปถ้าเราสามารถทําใจของเรานี้ให้มีอะไรทำได้ มันก็จะพอสู้กับความอยากที่จะลุกไปทํานู่นทนํานี่ลุกไปเดินลุกไปดูไปฟังอะไรได้ yeah. Yeah. ลองทําดูวิธีง่ายๆนั่งเฉยๆดูแล้วกําหนดเวลาว่าจะนั่งสักกี่ชั่วโมงดู <Yeah. S 2> แล้วดูซิว่าจะทําได้ไหม yeah. Yeah. Yeah. ทําได้แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้เราก็มีเครื่องมือพอที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้ <Yeah. S 2> <c oughs> แล้วต่อไปเราอยากลูกเสียงกลิ่นรถอะไรนี่เราก็จะสู้กับมันได้ง่าย อยากกาแฟแล้วก็สู้ได้อยากบุหรี่ล้วก็สู้ได้อยากสุราล้วก็สู้ได้น <Yeah. Yeah. S 1> อันนี้แหละก็เรียกว่าฝึกสติการใช้สติต่อสู้และใช้สมาธิ <Yeah. S 1> ถ้าสติมีกำลังเต็มร้อยใจก็จะหยุดนิ่งได้เต็มร้อย <Yeah. S 1> พอใจหยุดนิ่งแล้วทีนี้ความอยากก็หยุดทำงานไป <Yeah. S 1> ความอยากนี่ต้องอาศัยความคิดของใจ ถ้าใจไม่คิดอะไรความอยากก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้เช่นถ้าเราตอนนี้ไม่ได้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เราก็จะไม่มีความอยากจะไปหาเขาถ้าไม่ได้คิดถึงของกินของดื่มเราก็จะไม่มีความอยากจะกินจะดื่มอะไรแต่ถ้าเดี๋ยวเราอยู่เฉยๆไม่ไทําอะไรนี้ไม่ได้ฟังทำนี้พอปล่อยให้ใจคิดเดี๋ยวก็คิดถึงเครื่องดื่มละคิดถึงขนมละ พาเก็คิดถึงเครื่องดื่มคิดถึงขนมขึ้นมาก็อยากกินอยากดื่มขึ้นมาทันทีแล้วพออยากแล้วถ้าไม่ได้กินไม่ได้ดื่มก็เครียดขึ้นมาหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องหยุดความคิดทันทีใช้พุทโธพุทโธสู้กับมันไปหรือใช้ปัญญาพิจารณาถึงสิ่งที่เราไปอยากว่ามันมันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมันไม่เที่ยงมันจะทําให้เราทุกข์ หรือมันไม่ดีอย่างที่เราคิดเช่นเราคิดถึงขนมเรามักจะคิดถึงขนมที่อยู่ในจานเราไม่คิดถึงขนมที่อยู่ในปากเลยหรือว่าอยากจะกินไหมเวลาเห็นภาพของขนมที่อยู่ในปากมันก็จะไม่อยากกินได้นี่คือเครื่องมือต่างๆที่พระเจ้าทรงค้นพบที่พระองค์ได้ทรงใช้ในการที่จะทำลายความอยากที่พาให้พระองค์ต้องมา เวียนไหว้าตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี้ให้หายไปหมดเ <Yeah. S 1> น, นีรวทั่งพระ อ, องค์รู้ภายในใจว่าต่อไปนี้พบชาติไม่มีสำหรับเราเราอีกแล้ว <Yeah. S 1> สิ้นแล้วการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเหตุที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ถูกกาจัดด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาของเราแล้ว <Yeah. S 1> เมื่อพระ อ, องค์ทรง รู้ว่าได้ทรงหลุดพ้นจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วออพระองค์ก็ทรงมีความเมตตากรุณาออคิดถึงพวกเราที่ยังติดคุกติดตารางของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้เอาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงใช้ในการพาให้จิตใจของพอของพระองค์ได้หลุดออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ มาเผยแผ่สังสอนให้แก่พวกเราที่กำลังติดคุกอยู่ในตอนนี้ถ้าพวกเราอยากจะออกจากคุกตรางของการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติทำทานกันทุกครั้งที่จะเอาเงินไปใช้ตามความอยากก็เอาไปทำเอาไปให้คนอื่นพูดง่ายๆอย่าไปใช้ให้กับตัวเราให้เขาไปเลยก็ได้เงินเป็นก้อนยกไปเลยเอา เกีเก็บไว้เก็บมาแล้วมันจะมาคอยนับใช้ความอยากจะมาคอยสร้างพบสร้างชาติให้กับเราก็ยกให้คนอื่นไปบอยจากให้วัดไปบอยจากให้โรงเรียนไปบอยจากให้โรงพยาบาลไปหรือที่ไหนที่เราคิดว่าทําแล้วเรามีความสุขใจเราก็ทําไปให้พ่อให้แม่ก็ได้ให้ลูกให้หลานก็ได้ให้ใครก็ได้อย่าให้ใช้กับตัวเราเองก็แล้วกันอย่าใช้กับความอยาก ใช้กับความจําเป็นได้อยู่ยังต้องมีอาหารกิน <field. S 2> ยังต้องมีบ้านอยู่ <ender. S 2> ถ้าใช้กับความจําเป็นนี้ไม่ถือว่าเป็นการส่งเสริมภพชาติ <ender. S 2> เป็นการไม่ส่งเสริมแล้วก็ไม่ทำลายแต่ถ้าเอาไปใช้กับความอยากนี่จะเป็นการส่งเสริมแต่ถ้าเอาไปทำบุญ น, นี่เรียกว่าเป็นการเอาไปทําลายความอยากทําลายภพชาติเห็นทุกครั้งที่เราคิดว่าอยากจะใช้เงินโดยตามความอยากนี้ เอาไปทำบุญเถิดแล้วจะตัดภพตัดชาติให้น้อยลงตัดความอยากที่จะหาความสุขด้วยการใช้เงินให้น้อยลงได้แล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องหาเงินมากเมื่อเราไม่ต้องหาเงินมากเราก็ไม่ต้องทำงานมากเราก็จะมีเวลาว่างที่จะมาปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้เหมนการทำทานนี่เป็นการเปิดทางให้เราได้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมกัน พราะถ้าเรายังทํางานยังอยากหาเงินหาทองอยู่มันจะไม่มีเวลาเวลาทํางานก็ต้องไปทํางานเวลาหยุดงานก็ต้องเอาเอาเงินที่หามาได้ไปใช้มันก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้แต่พอเราเริ่มทําบุญทําทานแล้วทีนี้เราก็มีความอยากน้อยลงอยากได้เงินน้อยลงเราก็หาเงินน้อยลงเราก็มีเวลาว่างที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไป เราก็จะมารักษาศิญปักกันได้รักษาศิญปแล้วเราก็ไปฝึกสมาธิฝึกสติกันได้ปฏิบัติธรรมกันได้จเจริญปัญญากันได้เนี่ยทานเป็นเครื่องเบิกทางเข้าสู่การปฏิบัติคนที่ต้องการจะปฏิบัติจริงๆนี้จะต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับการหาเงินใช้เงินหรือถ้าหาเงินใช้เงินก็หาห า, หาเงินใช้เงินให้น้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น ต่อการดำรงชีพเท่านั้นแต่ไม่ได้หาเงินหาทองเพื่อให้ร่าให้รวยให้เป็นใหญ่เป็นโตให้มีความสุขจากรูป่เสียงกินรดอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะการกระทำเหล่านี้เป็นการเพิ่มภพชาติให้มีมากขึ้นไปไม่ได้ตัดภพชาติให้น้อยลงไปเห็นั้นต้องเลิก <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหาเงินหาทองให้เหน็ดเหนื่อยแล้วจะได้มีเวลามาปฏิบัติมาศึกษาปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไป มารักษาศีลแปดมาฝึกสมาธิมาเจริญปัญญาแล้วพอเราได้ปฏิบัติ <c oughs> ไปเรื่อยๆความอยากที่เคยมีในใจนี้มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะหายไปหมดแล้วเราจะรู้ภายในใจของเราเองไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระนิพพานเป็นยังไงผมบรรู้ถึงพระนิพพานหรือ ย, อยางอันนี้เป็นสันติโก เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถพิสูจน์รู้ได้ด้วยตนเอง <Yeah. S 2> ไม่ต้องคอยไปถามพระพุทธเจ้า <Yeah. S 2> ผมหลินจบหรือยัง <Yeah. S 2> ผมบรรลุเป็นพออาาระอรหันต์หรือยังเห <Yeah. S 2> มือนคนที่กินข้าวอิ่มแล้วต้องไปถามคนอื่นไหมว่าผมอิ่มหรือยัง yeah. Yeah. พี่รู้ไหมว่าผมอิ่มหรือเปล่า yeah. Yeah. คนที่ปฏิบัตินั้นจะรู้ด้วยตนเอง yeah. Yeah. Yeah. ขอให้ปฏิบัติไปขอให้เป้าหมายของเราอยู่ที่การกําจัดความอยาก ด้วยการปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นและรับรองได้ว่าความอยากต่างๆที่เคยมีมากในใจ่ายนี้จะน้อยลงไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็จะหมดไปแล้วการไม่มีความอยากนี้ไม่อย่าไปคิดว่าเราจะตายเนีย่ยไม่ตายหรอกกลับสบายขึ้นยิ่งมีความอยากยิ่งยิ่งเครียดยิ่งทุกข์มากขึ้นพอไม่มีความอยากแล้วกลับสบายขึ้นถึงแม้จะไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่มียศไม่มีตําแหน่ง ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้ใจเราสบายที่ไหนมีทรัพย์สมบัติมียศมีตําแหน่งกลับทําให้เราเครียดมากขึ้นทุกข์มากขึ้นไปกว่าปาพอไม่มีแล้วสบายนี่แหละคือความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในการกระทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านะคือละ บ, บาป ทำบุญทำความดีแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่สมบูรณ์ที่จะอยู่คู่กับใจเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดและเราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาหามามีร่างกายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเพราะความสุขที่เราได้ในใจของเรานี้มันดีกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูธนาให้พริยะธ า, าวาฤวาหาปุราปาิปุเรนติสากลังเอวเมีวะอิโตทินางเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดระเมวาสมิจโตสัเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนาราโสยธามะนีโชติราโสยธาสะพีติโยวิวัจจันโตสะพารุโควินาสตุมาเตภวัตตวันตารายสุขีทิฆายุโกภวะอภิวาทนาสีฤสธานิจังวุธาปจายโน ชตารวธรร ม, มวัทันติอายุวั น, นสุขังอาลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้เข้ามาถามก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ ค่ะวันนี้ผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต395 Facebook พระอาจารย์สุชาติ53ยอดรวม Facebook 448 YouTube 299วิทยุไลน์11 Zoom 7ผู้รับฟังหน้ากุฏิ92รวมทั้งหมด857ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคําถามก็เชิญอ่านได้เลย <c oughs> มีคำถามจากทาง Facebook ค่ะจากคุณจัสตินกับสอบถามพระอาจารย์ครับมีคำถามสองข้อข้อที่หนึ่งรักษาศีลแปดวันพระเผอศีลขาดไปหนึ่งข้อวันนั้นยังจะได้บุญหรือไม่ครับก็ได้เจ็ดข้ อ, อนลข้อที่สองค่ะความเชื่อที่ว่าถ้าร่างกายใกล้าตายแล้ว บริจาคเอาไวะให้ผู้อื่นชาติหน้าจะเกิดมาเป็นคนพิการความเชื่อนี้จริ ง, รงหรือไม่ครับไม่จริงหรอกจะเกิดพิการไม่พิการอยู่ที่ทำบาปหรือไม่ทำบาปถ้าทำบาปเช่นไปคอยตัดแข้งตัดขากบอะไรนี้เป็นต้นต่อไปก็ทำอะไรเขาไว้ก็ตัวเองก็ ก, กลับมาก็ยต้องโดนเขาทำนั อย่าไปทำบาปอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนแล้วก็จะไม่มีผลเสียกลับมาหาเราคำถามจากผู้ฝากถามค่ะหากเรามีเพื่อนที่ได้ที่ได้รับทรัพย์เงินทองจำนวนมากจากการไหว้เจ้าหรือไหว้ผีไหว้รูปปั้นต่างๆที่เขากำลังนิยมกันแต่ถ้าเราไม่ได้ไปไหว้แบบนั้นเราจะเสียโอกาสรับทรัพย์ไหมเจ้าคะไอถามใหม่ หากเรามีเพื่อนที่ได้รับทรัพย์เงินทองจํานวนมากจากการไหว้เจ้าไหว้ผียรูปปั้นต่างๆที่เขานิยมกันแต่ถ้าเราไม่ได้ไปไหว้แบบนั้นเราจะเสียโอกาสรับทรัพย์หรือไม่เจ้าคะก็ไม่รู้แหละก็ลองทําดูสิเราไม่รู้ได้ไงว่ที่เขาได้รับทรัพย์เพราะเขาไปไหว้เจ้ามาเขาอาจจะได้รับทรัพย์จากเหตุอื่นก็ได้ดงนั้นก็ต้องไปพิสูจน์ ด, ดูเอาเอง ลองไปทำตามแบบเขาดูเถ้าจะได้ทราบแบบเขาหรือเปล่าคำถามจากคุณพาคินค่ะล้าจา์ครับศีลพัดตับรามาสหมายความว่าอย่างไรครับคือความสงสัยในศีลว่ามีอนอนุภาพจริงหรือไม่ <Yeah. S 1> ปิดประตูบายได้หรือไม่ศีล <Yeah. S 1> น, นี่แหละเป็นพูดปิดประตูบาย <Yeah. S 1> ถ้าไม่อยากไปเกิดในบายก็รักษาศีลห้าไว้ ผู้ที่ละศีลละพระะได้คือผู้ที่รู้ว่าศีลนี้เป็นผู้ปิ ด, ป, ดประตูบ่ายได้ก็คือพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอริยบุคคลทุกรูปจะไม่มีการทําบาปอย่างเด็ดขาดถึงแม้จะต้องรักษาชีวิตก็จะไม่รักษาชีวิตของตนด้วยการทําบาปคําถามจากผู้ฝากถามค่ะหนูมีสภาวะกราบขอความเมตตาเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ หนูฝึกดูลมหายใจเกิดความเย็นซ่านทั่วกายแต่ตอนนี้มันเกิดสภาวะตัวชาสลับกับนิวรคือความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นเองทั้งที่ไม่มีเรื่องอะไรก่อนหน้านั้นเวลาเกิดสมาธิขณะยืนทำงานเจ้าค่ะมันเกิดเองและหายไปพัดมึงแต่ตอนนี้มันกลับมาแต่เพิ่มตัวชามาส่วนบนเต็มแขนและลาตัว กราบขอคำชี้แนะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรเจ้าค่ะก็มันมีสองเหตุอะถ้าเหตุที่เกิดทางร่างกายก็ต้องไปหาหมอให้หมอก็ตวรวจดูว่าเป็นอะไรถ้าเหตุทางจิตใจก็ไม่ต้องกังวลมันเป็นของชั่วข่าวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเวลาภาวนาบางทีก็อาจจะเกิดความรู้สึกตัวแข็งตัวชาขึ้นมาได้ แต่ก็ไม่มีสัญหาอะไรพอเราเลิกภาวนาเลิกนั่งสมาธิก็กลับมาเป็นปกติอย่างนี้ก็เรื่องว่าเป็นเหตุทางจิตใจทางกิเลสไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้เฉยๆรู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางแต่ถ้าเป็นทั้งในขณะที่ไม่ได้ทําสมาธิก็อาจจะเป็นเรื่องของทางร่างกายก็ต้องไปให้หมอตรวจดูคำถามจากคุณพี่ตุ้มค่ะกับเรินถามพระอาจารย์ครับ วันนี้กระผมได้ไปซื้อยาที่เภสัชแห่งหนึ่งแล้วเงินที่ซื้อยานั้นเป็นของคุณป้าและก่อนกับกระผมได้เอาเงินที่เหลือจากการซื้อยานั้นไปหยอดในตู้รับบริจาคอยากถามพระอาจารย์ว่าคุณป้าและกระผมจะได้บุญจากการบริจาคเงินในครั้งนี้หรือไม่ครับก็เป็นเงินของคุณป้าแต่คุณป้าไม่ได้สั่งคุณป้าก็ยังไม่ได้บุญเพราะการจะทําทบุญนี้ต้องมีเจตนามีความตั้งใจ เราก็ต้องเป็นเงินของตอนเองคุณมีความตั้งใจแต่คนไม่มีไม่เงินไม่ได่เป็นของคุณคุณก็ไม่ได้บุญเีกเพราะคุณเอาเงินของคนอื่นไปทำอย่างั้นไม่ได้ทั้งคู่คุณง่ายๆคุณป้าก็ไม่ได้เพราะคุณป้าไม่รู้เรื่องรู้ราเร า, เ ร, ารู้เราเป็นคนอยากทาแต่เอาเงินคนอื่นทำเราก็ไม่ได้บุญเอก ถ้าอยากะ้ห้คุณป้าได้บุญต้องไม่บอกคุณป้าว่าคุณป้าผมเอาเงินคุณป้าไปทำบุญให้คุณป้าถ้าคุณป้าอนุโมทนาเออดีเว้ยดีใจขอบใจให้คุณป้าก็จะได้บุญทันทีแต่ถ้าคุณป้าเสียใจว่ามึงเอาเงินกูไปทำบุญทำไมกูจะให้ซื้อขนมกินก็ไม่ได้บุญอย่างเสียใจเนีำถามจากคุณธรรมสอนค่ะมีสองข้อเจ้าค่ะข้อที่หนึ่ง กินกาแฟแล้วภาวนาผลคือช่วยภาวนาดีไม่ง่วงต่างจากที่ไม่กินกาแฟครับข้อนี้พระอาจารย์มีความเห็นว่าประการใดครับไม่ดีหรอกเกิดไปภาวนาในปา่ามันก็ลงแบตกาแฟไปด้วยเลยเกิดไม่มีกาแฟก็ง่วงก็หลับเท่านั้นเลยอย่าไปใช้อะไรมาเป็นเครื่องแก้ความ ง, ง่วงนอกจากความเพียรพยายามกับสติทางง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อน ทางง่วงมากๆก็ไปเดินในป่าเดินในป่าช้าไปนั่งสมาธิในป่าชา้าหรือกินให้มันน้อยลงอย่า ก, กินมากมันก็จะลดความง่วงได้อย่าไปแก้กความง่วงด้วยกินกาแฟเดี๋ยวมันก็ติดกาแฟเลยอย่างนั้นนั่งสมาธิก็ต้องกินกาแฟก่อนอย่างเกิดไม่มีกาแฟกินก็นั่งไม่ได้ใส่งว่วงคำถามข้อที่สองค่ะ เราจุดยากันยุงพอจุดไปเหงยยุงร่วงกับพื้นไม่แน่ไม่แน่ใจว่ายุงเมายาหรือว่าตายแบบนี้จะเรียกว่าเราฆ่าสัตว์ไหมครับผมไม่สบายใจครับถ้าไม่สบายใจก็อย่าไปจุดก็แล้วกันคำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วค่ะถ้าเราท่องว่าพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วจับเวลาไว้สิบนาทีให้ท่องอยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าออก โดยไม่ลืมจนนาฬิกาปลุกเองถ้าเราไม่ลืมคาบริกรรมแสดงว่าเรามีสติใช่ไหมเจ้าค่ะเราจะรู้ยังไงว่าเราไม่ลืมใครพุทโธได้สิบนาทีดูลมได้สิบนาทีโดยไม่ลืมนี่ก็ต้องเข้าสมาธิได้แล้วล็นมันต้องมีลืมบ้างเพียงแต่ว่าเผลอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วกลับมานับต่อถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่ามีสติเป็นที่มีสติแบบครึ่งครกลางๆ นับแล้วก็ไปคิดเรื่องนุ้นคิดเรื่องนี้คิดถึงเวลากี่นาทีแล้ววะแล้วก็กลับมานับใหม่อันนี้ก็ไม่ได้ยังถือว่าไม่ไม่มีสติอยู่กับการนับลมหายใจอย่างเดียวดูลมหายใจอย่างเดียวอยู่ถ้าดูลมจริงๆไม่เกินห้านาทีสิบนาทีไม่ไปไหนมันจิตเข้าสู่ความสงบแล้วคำถามจากคุณวิไลพันธ์ค่ะอยากทราบว่าการทำบุญให้คนที่ล่วงลับไปแล้วมีวิธีไหน ที่จะทําให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้บุญจริงๆเ จ, จ้าคะขอความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะหนึ่งเราก็ต้องดูว่าผู้ที่ร่วงลับเขาไปรับเขาต้องการบุญนาหรือเปล่าเพราะคนที่ตายไปนี้มีต่างฐานะกันบางคนก็ไปแบบรวยบุญก็ไม่ต้องมารอรับบุญคือขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาทําบุญอยู่ยเรื่อยๆเขาก็ไม่มารอรับบุญของพวกเราพวกนี้เราเรียกว่าพวกเทวดาถ้าเขาทราบว่าเราจะเราส่งบุญให้เขาเขาก็อนุโมทนาทานันเอง เพาบุญที่เราส่งไปนี้เหมือนเงินใหเงินที่ให้ขอทานเนี่ยเอาเงินที่ให้ขอทานไปให้เศรษฐีเศรษฐีจะว่างไหอขอบใจเว้ยเพราบุญที่เราส่งไปนี่ท่านเปรียบเหมือนกับน้ําที่เหลืออยู่ในแก้วเวลาที่เราเทน้ําทิ้งหมดแล้วมันยังมีเศษน้ําติดอยู่ที่ในแก้วนั่นแหละคือบุญอุทิศอันนี้เหมากับพวกที่หิวโหยไม่ได้ดื่มน้ํามาเป็นหลายวัน พอได้น้ำไม่ใหยดสองหยดนี้ก็สดชื่นขึ้นมาทันทีเอ็นเอ็นเราไม่รู้ว่าคนที่เราส่งบุญไปให้นี่เขารอรับบุญหรือเปล่านอกจากเข้ามาเข้าฝันจริงๆมาบอกเราว่าโอ้ยฉันหิวโหวแล้วกันลาบากขาดแคลนนู่นขาดแคลนนี่เราก็ทําบุญส่งไปให้เขาได้แต่ถ้าเขาไม่มาเข้าฝันหรือเราไม่สามารถติดต่อเขาผ่านทางสมาธิได้เราก็ไม่รู้ว่าเขารอรับบุญหรือเปล่า ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไม่มาเข้าฝันไม่มาติดต่อกับเราก็แสดงว่าเขาไม่มารอรับบุญของเราแต่แเราก็ทำให้สัตว์สัตว์ได้ถ้าเรามีความเมตตาก็มีสัตว์ที่ไม่มีญาติที่ไม่มีใครส่งบุญไปให้เขาที่เขาต้องการบุญก็มีอยู่เยอะแยอะอย่างหลวงตาท่านถึงจัดงานบุญเปิดโลกธาตนะุวันที่31พฤษภาคมเป็นวันตายของแม่ท่านท่านครบรอบ ทุกปีท่านก็จะทำบุญอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตัวแม่ท่านเองท่านก็รู้ว่าไปสู่สุขติแนละ้วท่านก็ยิ่งแต่ทำไปเป็นตัวอย่างทำให้คนอื่นที่ไม่ได้ทำจะได้ร่วมทำกับท่านจะได้แบ่งบุญให้กับพวกที่ไม่มีญาติได้รับบุญไปในวันนั้นคำถามจากทางย t u b e ค่ะจากคุณดาดานั่งภาวนาแล้วสบายนั่งได้เป็นชั่วโมง เคยรู้สึกปวดหนึ่งครั้งอยู่กับพุโทโธความปวดหายไปจนไม่รู้สึกถึงร่างกายอยากถามว่ามาถูกทางไหมคะแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะถ้ามีความรู้สึกตัวก็เรียกว่ามีความสงบนะถ้าไม่มีความรู้สึกตัวก็เรียกว่าหลับยันไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะต้องสังเกตดูถ้ามีความรู้สึกตัวตลอดเวลาก็เรียกว่ามีความสงบก็ทำต่อไป ให้มันสงบนานๆสงบมากๆแทนที่จะไปดูหนังฟังเพลงก็มานั่งสมาธิแทนดีกว่าเป็นความสงบเป็นความสุขที่ดีกว่าคำถามจากพี่ตุ้มค่ะเทวดาประจำตัวมีจริงหรือไม่ครับอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะบางคนที่มีเพื่อนฝูงคนรักเราชอบเราขณะที่ อยู่ร่วมกันพอเขาตายไปเขาเป็นเทวดาเขาก็อาจจะมาคอยดูแลเราแต่คงจะไม่ได้มาเฝ้าเราตลอดย4บสี่ชั่วโมงเ mm hmm. ้าอาจจะแวะเวียนมาดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ขาดแคนขาดหรืออะไรถ้าเขาพอจะช่วยได้เขาก็ช่วยพวกเทวดาก็ช่วยไงก็ช่วยเรียกว่าเทพบรรดาเนเขาก็ไปเข้าฝันในคนบางคนว่า มาช่วยคนนี้หน่อยนะมาทำอะไรให้คนนี้หน่อยแล้วพอเขาได้รับข่าวจากเทวดาเขาตื่นขึ้นมาเขาก็อาจจะไปช่วยคนที่เขาฝันถึงก็ได้อันนี้ก็อาจจะมีแต่อันนี้ต้องมีความผูกพันกันไม่ใช่อยู่ดีๆทุกคนตายไปปั๊บจะมะีเทวดามาคุ้มครองรักษาแล้วเทวดาก็จะคุ้มครองรักษาคนที่ดีคนที่ไม่ดีเขาก็ไม่อยากจะมาคุ้มครองรักษาด้วย ว่ามา ส, งสม่สงเสริมส่งเสริมคนไม่ดีเขาไม่ทำอยู่แล้วเทวดาไม่ชอบคนไม่ดีชอบช่วยคนดีคําถามต่อไปเจ้าค่ะการบริจาคโลหิตถือว่าเป็นการทําบุญด้วยหรือไม่ครับเป็นเป็นทานอย่างหนึง่งเป็นวัตถุทานแต่ต้องบริจาคตอนตอนเป็นนะไม่ใช่ตอนตายถ้าตายแล้วบริจาคทีหลังนี้ไม่ได้บุญไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนไหนก็ตาม ถึงแม้จะสั่งไว้ล่วงหน้าก่อนก็ตามแต่ยังไม่ได้บริจาคยังไม่ได้ให้ให้ตอนที่ตายไปแล้วสั่งไว้ก่อนว่าให้ตอนที่ตายอย่างนี้ไม่ได้บุญถ้าจะได้บุญต้องให้ตอนที่ยังไม่ตายตอนที่เรารู้ตัวรู้ว่าอา้าว้จากตายไปข้างหนึ่งนี้ให้คนนั้นคนนี้ไปแล้ว เ, เห็นว่าเขาปลอดภยัยชีวิตเขาอยู่ต่อไปได้มันก็ทำให้เกิดความรู้สึก ความสุขใจขึ้นมาจากการเสียสละของเราแต่ตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเอาส่วนไหนไปให้กับใครเขาได้ประโยชน์อย่างไรหรือไม่เราไม่รู้แล้วตอนนั้นเราก็จะไม่ได้บุญคำถามจากคุณน้ำเครื่องแก้วคะ่ะถ้าทำสมาธิแล้วเกิดอาการปวดเมื่อยร่างกายรุนแรงควรทำอย่างไรเจ้าคะ่ะบางทีนั่งแล้วปวดเมื่อยมากบางทีถอนออกมาเองเจ้าคะ่ะก็ถ้า อยากจะนั่งต่อไปก็ต้องใช้วิธีสวดมนต์ไปเรื่มบริกรรมพุทโธพุทโธเรืร่มบริกรรมอะไรไปท่องอาการสาวสิบสองไปผมขนและบฟันหนังเหนือเอ็นกระดูกแล้วก็อาจจะถามว่ากระดูกมันเจ็บแล้วมันรู้ว่ามันเจ็บรึเปล่าเวลากระดูกไปต้มไม่เห็นมันตื่นเต้นตกใจเลยกระดูกไก่กระดูกหมูอยู่ในหมอ้อแกงมันก็เป็นกระดูกเหมือนกันกระดูกของเรามันก็เหมือนกระดูกหมูกระดูกไก่มันก็ไม่รู้เรื่อง มันไม่ได้เดือดร้อนไอ้ผู้ที่เดือดร้อนคือใจไปเดือดร้อนแทนมันทนั้นเองเอ็นมาทําใจให้อย่าไปเดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายพอทําใจได้มันก็นั่งต่อไปได้ใจสงบใจไม่ต่อต้านความเจ็บคําถามจากคุณธนาวัตรค่ะกลับนำ้ำมการพระอาจารย์ครับความฝันสามารถวัดระดับจิตได้ไหมครับขอบคุณครับก็น่าจะได้นะถ้าฝันร้ายก็แสดงว่าจิตต่ำ ้าสังเเเเเเกก็็็็็จจจิิิตตตตูปปปปนนนทพมคําถามต่อไปเจ้าค่ะเวลาทําสมาธิอนุญาตนั่งพิงหลังได้ไหมเจ้าคะบางทีนั่งแล้วตัวเองจะล้มเจ้าค่ะเออมันนั่งพิงแล้วมันสบายแล้วกลัวมันจะหลับมากกว่าไม่นิยมนั่งพิงอะไรให้นั่งตัวตรงมันจะทําให้มีสติตืต่นตัวมากกว่านั่งเอ็นั่งพิงอะไร มันไม่ล้มหรอกคนอื่นก็นั่งไม่มีอะไรพิงเขาก็นั่งกันได้เวลาก่อนที่เราจ ะ, ะภาวนาเราก็นั่งตั้งท่าตัวให้ดีตั้งในท่าให้มันหลังตรงไม่ต้องเกรงแล้วก็พอรู้ว่านั่งในท่าที่ที่ดีแล้วเราก็เริ่มภาวนาไปเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของร่างกายต่อไปมันจะเอน็นไปนู่นเอ็นมานี่ก็อย่าไปปรับมันบางทีมันเป็นเพียงความรู้สึกหลอกเราเอง ปล่อยมันเองไปเดี๋ยวถ้ามันจะล้มมันก็ล้มเองล้มเราก็จะได้รู้อ๋อล้มมันก็ยังตั้งตั้งขึ้นมานั่งใหม่ได้อย่างเวลาภาวนาเราอย่าไปสนใจกับเรื่องของร่างกายและอย่านั่งในท่าที่มันสบายเกินไปนั่งเพียงแล้วเดี๋ยวมันจะขาดสติได้ง่ายแล้วจะทำให้หลับได้คำถามจากคุณนิพาค่ะถ้าภาวนาพุทโธจนมีสมาธิดีแล้วเกิดความสงบ เราจะเจริญทางด้านปัญญาจะใช้แบบไหนดีคะที่ไม่ใช่อาการ32มอเจ้าค่ะคือการจะเจริญปัญญานี่ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนการออกจากสมาธิก็หมายไม่ได้หมายความว่าจะต้องลุกจากท่านั่งท่านั่งต่อได้แล้วอยากจะเจริญปัญญาในท่านั่งต่อก็ได้ <S <S หรือถ้าไม่ไม่ไม่นั่งอยากจะลุกขึ้นมาเดินก็เดินแล้วจเจริญปัญญาในท่าเดินก็ได้ แต่ต้องเจริญในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาจิตสงบนิ่งนี้ไม่ควรไปทําอะไรควรให้จิตสงบนิ่งนานๆเหมือนคนนอนหลับ เ, เวลาคนนอนหลับอย่าไปปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาทํางานถ้าเขาหลับยังไม่อิ่มพอเขาจะหงุดหงิดรําคาญเขาจะมีอารมณ์เสียได้เั้นเวลาคนนอนหลับก็ปล่อยให้เขาหลับไปจนกว่าเขาจะตื่นพอตื่นแล้วถึงบอกเขาให้ไปช่วยทํางานที่นั่นที่นี้ได้นะ แต่ตอนที่เขานอนหลับอย่าไปปลุกเขาขึ้นมานอกจากมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเท่านั้นเองอันใดาการเข้าสมาธิก็เป็นการพักจิตที่จิตยังพักไม่เต็มที่ยังอยู่ในความสงบอยู่แล้ว อ, อ, อย่าดึงจิตออกมาเพราะจิตมันจะงหงุดหงิดแล้วมันจะพิจารณาทางปัญญาไม่ได้ต้องรอให้จิตสงบนอนให้อิ่มให้พอกว่านให้สงบให้อิ่มให้พอก่อนพอจากสมาธิมาแล้วทีนี้ก็สั่งให้ไปพิจารณาร่างกายได้ ถ้าไม่ชอบอาบระการสามสิบสองก็พิจารณาภาพรวมก่อนก็ได้ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครในที่สุดก็ต้องตายจากกันไปโดยพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นอาการ ด, ดินน้ําลมไฟอาการสามสิบสองทำด้วยดินน้ํำลมไฟเราคือใจมาเกาะมา มาพ่วงติดกับร่างกายนี้เท่านั้นเองแล้วก็ใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเรียกว่าพิจารณาอนัตตาพิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายก็พิจนารณาอนิจจังไม่เที่ยงรืะพิจารณาความทุกข์ก็เวลาร่างกายเจ็บมันก็ทำให้ใจเราทุกข์เวลาร่างกายแก่มันก็ทาให้ใจเราทุกข์ให้เห็นความทุกข์ในร่างกายเห็นความไม่เที่ยงในร่างกาย เห็นนั้นหน้าตาในร่างกายไปก่อนก็ได้ก็จะทำให้เราปล่อยวางร่างกายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ที่ทุกข์เพราะเราไปยึดไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพอเราไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่ทุกข์ดูร่างกายของคนอื่นนี่เราไม่ได้ไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเราทุกข์เขาจะเป็นอะไรเราไม่ทุกข์ด้วยแต่พอเราไปถือว่าเป็นของเราทุกข์ขึ้นมาทันทีใช่ไ พอเป็นลูกเราเป็นแฟนเรานี่ยพอเขาเป็นอะไรขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาทันทีพออยากกันแล้วเขาจะทุกข์เาจะเป็นอะไรก็ไม่ทุก์อีกแล้วเพราะเราไม่ไปถือว่าเป็นของเราอีกแล้วเังนั้นอยู่ที่การถือนี่เองการถือว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์เพราะจะมีความอยากให้คนที่เป็นเราเป็นของเรานี่ดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดข้าปลอดภัยนั่นเอง คำถามฝากถามค่ะเคยเห็นสามีภรรยาบางคู่อยู่กันยืดยาวจนตายจากกันแต่บางคู่ก็ต้องหย่าร้างอยู่กันไม่ยืดเป็นเพราะอะไรเจ้าคะก็อยู่ที่ความรักองมันหมดเมื่อไหร่มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้พอมันเกลียดชังกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เรนต้องพยายามรักษาความรักไว้เหมือนวันที่เราเจอกันวันแรกถ้รักษาความรักได้มันก็จะอยู่ด้วยกันได้ บ่มีความเกลียดชังเข้ามาแล้วมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้คำถามจากคุณสู้ไม่ถอยแค่หมดลมค่ะกับขอาการครับปัญญาเกิดก่อนสมาธิได้ไหมครับได้แต่มันยากส่วนใหญ่เกิดแล้วก็อาจจะทำประโยชน์ไม่ได้คือไม่มีกำลังที่จะไปหยุดกิเลสหยุดความอยากได้ อย่างพวกเรานี้ปัญญาเกิดก่อนสมาธิเนี่ยฟังเทศฟังธรรมนี่ก็ได้ปัญญากันแล้วรู้หมดรู้หมดรู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตารู้อสุภะรู้ว่าอะไรหมดแต่พอกิเลสโผล่ขึ้นมาสู้มันไม่ได้เพราะปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีอุบเบกขาดัางนั้นพวกเรานี้มีปัญญาแล้วขั้นต่อไปต้องมาทําสมาธิกันให้มากๆเพื่อจะได้ทําให้ปัญญามีกําลังเป็นภาวนามาย์ปัญญา อันนี้เราได้สุตตะมายปัญญากินตามายาปัญญาสุตตะก็คือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษากินตาก็คือเกิดจากการนึกคิดอยู่เรื่อยๆแต่เรายังไม่มีภาวนาไม่มีสมถะภาวนาไม่มีอุเบกขาพอเจอกิเลสก็ใช้ปัญญาตัดไปไม่ได้ถ้าเป็นมีดก็มีดที่ยังไม่ได้รับต้องเอามีดมารับก่อนให้มันคมต้องใช้สมาธิเป็นหินรับมีด รับมีนะทีนี้พอใจกิเลสก็ฟันมันขาดเลยคำถามจากคุณดาดาค่ะถ้าเราปล่อยวางร่างกายตอนจะตายได้ดวงจิตเราหลังตายจะเป็นอย่างไรเจ้าคะจะไปที่ไหนเจ้าคะก็แล้วแต่บุญที่บาป ท, ที่เราทำไวนะ้น่ะเหมันก็ยังมีส่วนอยู่เราปล่อยได้ในระดับไหนเราก็ยังไม่รู้เนี่ยอย่าไปกังวลเราจะไปไหนหรือมาไหน กังวนว่าเราจะปล่อยได้หรือไม่ได้ดีกว่าแล้วถ้าเราไม่ปล่อยตอนนี้แล้วตอนตายเราจะไปปล่อยได้ยังไงตอนตายนี่เหมือนขึ้นเวทีแนละ้วถ้าไม่ซ้อมโชคไว้ก่อนเวลาขึ้นเวทีจะไปสู้กับคู่ต่อสู้ได้ยังไงมันต้องสองฝึกซ้อมให้เราตายก่อนตายไม่ใช่มาซ้อมตอนที่กำลังจะตายตอนนั้นมันไม่มีกระจิตกระใจจะซ้อมนะมันก็จะถูกซ้อมเท่านั้นเองนต้อง ทำการบ้านก่อนก่อนที่จะไปสอบทําข้อสอบค่ะคำถามจากคุณพงประพัฒนค่ะพระอาจารย์ครับพญาม จ, จุราช ต, ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไหมครับพญามั จ, จุราชไม่มีหรอกมันเป็นเพียงแต่สมมุติขึ้นมา ค, คือความตายนี่ความตายเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นพญามั จ, จุราชแต่มันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีจิตไม่มีใจอะไรมันเป็นชื่อเราตั้งขึ้นมาให้กับความตายนั่เอง คำถามฝากถามเจ้าค่ะการหาเงินทองมาดูแลตัวเองยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าเป็นความโลภไหมครับไม่โลภหรอกถ้าใช้เงินเพื่อความรักเพื่อรักษาพยาบาลร่างกายเพื่อเลี้ยงดูร่างกายอย่างที่ได้แสดงไว้เบื้องต้นนะ ว, ว่ามันมันเป็นความจําเป็นถ้าเรายัางต้องใช้ร่างกายในการมาปฏิบัติธรรมอยู่เราก็ต้องรักษาร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเรา ทำงานสําเร็จแล้วเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้พระอรหันนี่ท่านก็รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้เพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมาปฏิบัติทำอีกแล้วท่านทํางานของท่านสาเร็จแล้วคําถามจากคุณอารินค่ะร้านจารย์ค่ะลูกขอสอบถามว่าลูกนับถือศาสนาพุทธ พ่อนับถือศาสนาอิสลามหากลูกมาทําบุญแล้วทิศส่วนกุศลให้พ่อกรณีนี้พ่อจะได้นับจะได้รับบุญที่ลูกบุทิษหรือเปล่าคะได้ถ้าพ่ออยู่ในสถานที่รับบุญเพราะเป็นดวงวิญญาณนี้ไม่มีศาสนาดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจนี้ไม่ได้อยู่กับศาสนาอยู่กับอยู่ชี้ที่กฎแห่งกรรมกดแห่งกรรมทําบุญก็ได้บุญทําบาปก็ได้บาสนั่นถ้าไม่ได้ทําบุญก็ เวลาเป็นดวงวิญญาณก็จะมารอรับบุญออจะศาสนาไหนก็ได้จะอิสลามคริสหรือพุทธทําบุญแล้วก็อุทิศได้เหมือนกันแล้วผู้ที่รับจะเป็นอิสลามคริสหรือพุทธก็รับบุญได้เหมือนกันไม่ได้เป็นขึ้นอยู่ที่ศาสนาขึ้นอยู่ที่สถานภาพของจิตว่าอยู่ในสภาพที่รอรับบุญหรือไม่คําถามจากคุณแนตตี้ค่ะ ยมสงสัยว่าใจมีลักษณะอย่างไรแล้วเราสามารถดับการทำงานของสัญญาได้ไหมถ้าดับได้ดับอย่างไรและถ้าดับไม่ได้ควรรูอย่างไรคะกับขอบพระคุณค่ะใจเป็นผู้รู้สึกนึกคิดผู้จำได้หมายรู้ซึ่งตามปกติมันก็จะทำงานของมันตั้งแต่ตื่นจนหลับมันจะหยุดได้ก็เฉพาะช่วงที่เราเข้าสมาธิชั่วคราว เวลาเราเข้าสมาธิเราก็ปิดสี่ตัวนี้ปิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ชั่วข่าวแต่เราอยู่ในสมาธิไม่ได้ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ต้องออกจากสมาธิมาแล้วสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะทำงานต่อแต่เราสามารถฝึกสัญญาให้ไปเป็นสัญญาที่ไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ตอนนี้สัญญาของเราเป็นสัญญาที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเรา พาเราไปจำว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเรากันเราต้องมาแก้สัญญาใหม่ด้วยปัญญามาสอนใจว่าอั น, นั้นไม่ใช่ของเราอั น, นี้ไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีไม่ได้เป็นของเราถ้าคิดอย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่ทุกข์มันเห็นได้ลายก็ปล่อยวางคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกลับนามสการครับถ้าเห็นลูกหมาหรือลูกแมวที่เขาเอามาทิ้งในสวนหลายตัว ควรวางใจอย่างไดครับหรือเอาอาหารไปให้พวกเขากินได้ไหมครับถ้ามีความเมตตก็อาหารเป็นเลี้ยงเขาถ้าไม่มีความเมตตาหรือไม่มีอยู่ในฐานะที่จะเลี้ยงเขาได้ก็ใช้อุบเบกขาไปทําใจว่าเป็นกรรมของหมามันก็แล้วกันมาเจอกูเขา้ากูไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงมึงคําถามจากคุณสุประชัยค่ะไปไหว้พระประธานตามวัด ใช้ทุบเทียนดอกไม้กับมือไหว้เปล่าแบบไหนได้บุญมากกว่ากันครับไม่ได้ทั้งหมด น, นะอยากจะได้บุญก็ทำบุญทำทานบริจาคเงินให้กับวัดไปอันนี้เป็นเพียงอาบิสบูชาเป็นการแสดงความเ้อรบเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นบุญก็เป็นบุญแบบที่ไม่มีน้ำหนักอะไรมากเป็นการมีคารวะต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ซึ่งไม่ได้เป็นวิธีที่จะปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกถ้าอยากจะบูชาเราต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาถึงจะได้บุญมากทําบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอันนี้แหละเป็นการได้บุญเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคําถามฝากถามค่ะผมภาวนาพุทโธมาสิบกว่าปีแต่จิตไม่สงบเลย จนมาวันหนึง่งนั่งสมาธิอยู่แล้วภายในใจบอกว่าให้อภยัยผมเลยภาวนาคําว่าให้อภยัยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในความคิดให้อภัยหมดปรากฏว่าใจเบาสบายผ่อนคลายและสงบลงมากขึ้นผมเลยมานั่งคิดดูเมื่อในอดีตผมถูกเลี้ยงมาด้วยความรุนแรงในใจมีแต่ความข้างแค้นเกลียดชังผิดหวังไม่ได้ก็ถูกทาโทษว่าทาผิด ผมทิ้งพุโทโธมานานแล้วแล้วภาวนาคําว่าอาภัย อ, อย่างนี้จะได้ไหมครับถ้าทําใจให้สงบก็ได้เพราะการให้อภัยก็เรียกว่าเมตตาภาวนานี่เองเพื่อมันแล้วแต่จิตของเราว่ามันติดอยู่กับอะไรถ้าติดกับความโกรธแค้นก็ต้องใช้เมตตาภาวนาถึงจะหลุดใช้พุโทโธอาจจะไม่หลุดแต่พอหลุดแล้วอาจจะใช้ให้อภัยอาจจะไม่ได้ผลดีเหมือนเมื่อก่อนก็อาจจะต้องมาเปลีป่ยนเป็นพุโทโธเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นต่อไป เป็นเป็นอาการสาสบสองเรื่องอะไรมันถึงจะทาให้จิตปล่อยวางเรื่องอื่นต่อไปได้เพราะเรื่องเรื่องความข้างแค้นในใจเราปล่อยได้แล้วการให้อภัยต่อไปอาจจะไม่ได้ผลมากไปกว่าที่ได้มาอยากจะได้ผลมากกว่ า, า จ, จะต้องใช้พุทโธแล้วดูลมหายใจเข้าออกต่อไปคำถามจากพี่ตุ้มค่ะเอาสุดท้ายแล้วนะวันนี้คำถามสุดท้ายเจ้าค่ะ การที่ครอบครัวให้เงินเราใช้ส่วนตัวแล้วเราเอาเงินนั้นไปทําบุญเราจะได้บุญไหมครับถ้าเป็นของเราแล้วเราก็ได้บุญแต่ถ้าเขาสั่งว่าเอาเงินนี้ไปทําบุญนี้เราไม่ได้บุญเพราะเป็นของเขาเขาสั่งให้เราไปทําบุญให้เขาเห็นอย่างเช่นพ่อแม่แวเวลาสอนลูกให้ทําบุญพ่อแม่ก็ฟักเงินแล้วเอาลูกเอาเงินไปใสต่ตู้อย่างเงี้ยตอนนั้นเงินยังไม่ได้เป็นของลูกแล้วก็ไม่ลูกก็ไม่มีเจตนาที่จะทําทบุญ งันบุญยังไม่เกิดสำหรับลูกแต่พ่อแม่ก็ต้องสอนลูกวิธีทําบุญไปก่อนให้ลูกรู้จักวิธีทําบุญต่อไปเวลาเขาโตแล้วเขามีเงินของเขาเองเขาอยากจะทําบุญเขาก็จะได้รู้ว่าทำอย่างไรทําแล้วเขาก็จะได้บุญการจะได้บุญนี้ต้องเป็นเงินของเราและต้องเป็นเจตนาของเราเอาแล้นีวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพพจารณาไปปฏิบัติ